เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9มิถุนายนพุทธศักรา2550เป็นวันที่ท่านได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประกอบคุณงามความดีมาสร้างทรัพย์ภายใน ให้กับตนเพราะทร <c oughs> ัพย์ภายในที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้สะสมไว้เป็นทรัพย์ที่แท้จริงของเรา <c oughs> ต่างกับทรัพย์ภายนอกที่ไม่ใช่เป็นสมบัติที่จีรัมถาวร <c oughs> พอเราตายไปแล้วสมบัติต่างๆที่มีที่เราไม่อยู่ก็จะกลายเป็นสมบัติ ของผู้อื่นไปแต่ทรัพย์ภายในสมบัติภายในที่เรามาสร้างมาสะสมกันที่วัดอยู่เรื่อยๆจะเป็นทรัพย์ของเราเป็นสมบัติของเราที่จะติดไปกับเราเมื่อเวลาที่เราต้องจากเริ่งนี้ไปแล้วดังนั้นนักตรฐทั้งหลายจึงสอน <c oughs> ให้เรา เห็นความสําคัญของทรัพย์ภายในยิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกเนื่องจากว่าท่านเห็นท่านรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นกันก็คือหลังจากที่เราตายไปแล้วร่างกายเราตายไปแล้วแต่ใจของเรายังไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราก็ต้องเดินทางไปต่อ ถ้าได้สร้างทรัพย์ภายในไว้ก็จะมีทรัพย์รอเราอยู่ในภายภาคหน้าทรัพย์ที่เราสร้างนี้สมบัติที่เราสร้างนี้ <c oughs> ก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันนับตั้งแต่เทวสมบัติขึ้นไปสู่พรหมสมบัติสู่มรรคผลนิพพานสมบัตินี่เป็นสมบัติที่จะให้เราอยู่อย่างสุข อยู่อย่างสบายอยู่ห่างไกลจากความทุกข์จากความวุ่นวายทั้งหลาย <c oughs> ถ้าเราไม่สร้างกันไว้เมื่อถึงเวลาที่เราไปเราก็จะไม่ได้ไปเราก็จะไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปเป็นเทพไม่ได้ไปเป็นพรหไม่ได้ไปเป็นพระอริยเจ้าแต่เราก็จะต้องไปเกิด ในที่เราไม่เพิ่งปรารถนากันถ้าเราทำบาป ท, ทำกรรมเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเทศโกหกหลอกลวงเกี่ยวข้องกับอบายยมุกทั้งหลายเช่นสุรายาเมาการเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นเมต ความเกียดร้อนก็จะฉุดลากให้เราไปสู่ที่ต่ำไปสู่เดรัจฉานสมบัติเปรตสมบัติอสุลกายสมบัติและนร ก, กสมบัตินั่นคือที่ไปของผู้ที่ไม่สร้างบุญสร้างกุศล ส, สร้างแต่บาปสร้างแต่กรรมดังนั้นเมื่อเรามีเวลาว่าง เราจึงไม่ควรปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่ได้สะสมสมบัติภายในใจของเราสมบัติภายในใจนี้ก็เกิดขึ้นจากการให้จากการเสียสละจากการไม่เบียดเบียนผู้อื่นจากการทําจิตใจให้สงบและจากการสอนจิตใจให้ฉลาดรู้ทันใน รู้ทันในสภาวธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเหล่านี้เป็นการสะสมสมบัติภายในใจของเราเราจึงควรที่จะสะสมให้มากอย่าเสียดายทรัพย์สมภายนอกสมบัติภายนอกเอาไว้เพียงพอ ใช้กับความจำเป็นถ้ามีเหลือมีเกินก็เอามาแปลงเอามาเปลี่ยนมาแลกเป็นสมบัติภายในอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทํากันวันนี้ท่านมีเงินทองเหลือใช้เหลือกินเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรตายไปก็กลายเป็นของคนอื่นไปก็เอามาเปลี่ยนเป็นทรัพย์ภายในเหมือนกับเรา เอาไปแลกเช็คที่ธนาคารเวลาที่เราจะต้องการเดินทางไปต่างประเทศเราก็เอาเงินสดไปซื้อเช็คเดินทางเมื่อเรามีเช็คเดินทางติดตัวเราไปเวลาที่เราไปที่ไหนเราต้องการใช้เงินเราก็เอาเช็คเดินทางนี้ไปแลกเป็นเงินได้ ถ้าเราไม่มีเช็คเดินทางติดตัวไปเลยไปเราก็จะไม่มีเงินใช้เ <c oughs> พราะเราเสียดายหวงกับเงินทองที่เรามีอยู่เก็บไว้ในธนาการแล้วก็ไม่ยอมเอาออกมาใช้พอมีความจำเป็นต้องใช้เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศก็จะไม่มีเงินทองใช้ การตายของเราจากชาตินี้สู่ชาติหน้าก็เป็นเหมือนกับการเดินทางไปต่างประเทศแทนที่เราจะขึ้นเครื่องบินเราก็ออกจากร่างกายนี้ไปคือใจเราก็ออกจากร่างกายนี้ไปแล้วก็ไปตามแต่ฐานะตามแต่สมบัติที่เราได้สะสมไว้ถ้าเราส ะ, ส, ะสมเทวสมบัติไว้เราก็จะไปสวรรค์ ถ้าเราสะสมพรห ม, มสมบัติเราก็จะไปสวรรค์ชั้นพรหมถ้าเราสะสมมรรคผลนิพพานะสมบัติไว้เราก็ได้ไปเกิดเป็นพระอริยเจ้าได้ไปเกิดเป็นพระอรหันต่อไปสิ่งเหล่านี้อยู่ในความสามารถของเราอยู่ที่ตัวเรา ไม่มีใครสามารถที่จะทำแทนเราได้ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้พ่อแม่ทำให้เราไม่ได้พี่น้องทำให้เราไม่ได้สามีภรรยาทำให้เราไม่ได้เพื่อนสนิทมิตรสหายทำให้เราไม่ได้พระสงฆ์องค์เจ้าก็ทำให้เราไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเราต้องเป็นผู้ทำเป็นผู้สร้างมันขึ้นมา พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสสอนให้พวกเราพึ่งตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนจะสุขจะเจริญก็อยู่ที่ตนเองนั้นอยู่ที่การกระทำทางกายวาจาและทางใจถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่ได้อะไรเวลาที่เรา ต้องเดินทางจากโลกนี้ไปเราก็จะไปตัวเ ป, เปล่าเล่าถ้าเราทำบาปทำกรรมเราก็จะมีโทษติดตัวไปด้วยต้องไปใช้โทษในนรกต้องไปเกิดเป็นเปรตต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นคือเหมือนกับคุกที่สำหรับผู้ที่ทำผิดต้องไปใช้โทษ ส่วนพวกที่ทำถูกคือพวกที่ทำบุญทำกุศลก็จะได้ไปรับรางวัลรางวัลก็คือสมบัติต่างๆที่เราได้สะสมกันถ้าเรารักษาศีลไว้ให้มั่นคงคือศีลห้าเราก็จะได้มนุษยสยมสมบัติคือจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเรา รักษาศีลแล้วเราทำบุญให้ทานด้วยมีเงินมีทองเหลือเหลือกินเหลือใช้ก็เอามาแจกจ่ายเอามาสงเคราะห์เอามาช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือผู้ที่มีพระคุณกับเราหรือผู้ที่เรามีความเมตตากรุณาเมื่อเราได้ทำแล้วเราก็จะได้ เทวสุบัติตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นเทพชั้นต่างๆถ้าเรานอกจากรักษาศีลให้ทานแล้วเรายังปฏิบัติจิตภาวนาคือสมถภ า, าวนาทำจิตใจให้สงบด้วยการกำหนดจิตให้เราลึกถึงพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ธไปเรื่อยๆ โดยไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือจะกําหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้กําหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้คิดแต่เริ่มลมหายใจอย่างเดียวเช่นหายใจเข้าก็คิดว่ากําลังหายใจเข้าหายใจออกก็คิดว่ากําลังหายใจออก หรือไม่คิดก็ได้เพียงแต่ให้รู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกจะหายใจสั้นหายใจยาวก็ไม่ต้องไปบังคับเหมันหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวลมจะละเอียดหรือลมจะหยาบก็รู้ตามความจริงถึงแม้ลมจะหายไปก็ให้รู้ตามความจริงไม่ต้องกลัวว่าจะตาย คนที่ปฏิบัติดูลมหายใจเข้าออกเมื่อมาถึงจุดที่รู้สึกว่าลมหายใจนั้นหายไปหมดแล้ว mm. ก็จะเกิดความวิตกกลัวขึ้นมากลัวว่าจะตายเพราะไม่ได้หายใจแต่ความจริงไม่ตายเพียงแต่ตอนนั้นลมมันละเอียดมากจนไม่สามารถรับรู้ได้ก็ขอให้รู้ว่าลมละเอียดให้รู้ว่าไม่มีลม แล้วก็ให้อยู่กับความรู้นั้นไว้แล้วไม่นานเดี๋ยวใจก็จะรวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอกตารมตอนนั้นดีไม่ดีร่างกายก็จะหายไปจากความรู้สึกเหลือแต่จิตตัวเดียวเหลือแต่ผู้รู้อยู่ตัวเดียวรู้อยู่อย่างเดียวแต่ไม่มีอะไรไม่มีความคิดไม่มีความรู้สึกอะไร ของทางร่างกายมีแต่ความสุขทางจิตใจคือมีความอิ่มเอิบมีความปิติมีความพอนี่เป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำจิตใจให้สงบด้วยสมถภาวนาหรือการนั่งสมาธินี้เองจะใช้พุทธโธก็ได้จะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ หรือจะรวมกันทั้งสองอย่างก็ได้เช่นหายใจเข้าก็ระลึกถึงคําว่าพุทโธหายใจออกก็ระลึกถึงคําว่าพุทโธก็ทําได้เช่นเดียวกันหรือถ้ายังทําไม่ได้ทั้งสองอย่างจะสวดมนต์ไปพลางๆก่อนก็ได้สวดไปเรื่อยๆสวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียง นั่งขัดสมาธิก็ได้ไม่ต้องนั่งพับเพียบก็ได้ไม่ต้องจุดทูบเทียนก็ได้เพราะการภาวนานี้ถือว่าเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาแล้วไม่จาเป็นต้องมีดอกไม้ทูกเทียนไม่ต้องไปจุดทูบจุดเทียนให้กังวลเพราะบางทีอยู่ในห้องแล้วกลัวว่าถ้าจุดแล้วเดี๋ยวเกิดนั่งหลับตาไป ไฟก็อาจจะลุกไหม้ขึ้นมาได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องจุดธูปจุดเทียนไม่ต้องมีดอกไม้เพราะการบูชานั้นบูชาได้ด้วยสองวิธีด้วยกันคืออามิสบูชาและปฏิบัติบูชาอามิสบูชาก็คือการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนส่วนปฏิบัติบูชาก็คือการปฏิบัติธรรม ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนั่งสมาธิทำจิตให้สงบที่เรียกว่าภาวนาเรียกว่าสมถภาวนาอย่างนี้ก็เป็นการบูชาไปในตัวและเป็นการบูชาที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการบูชาที่แท้จริงนั้นต้องเป็นการปฏิบัติบูบชาเพราะจะได้ผล ส่วนอาบิสบูชานั้นจะไม่ได้ผลอะไรมากจ <c oughs> ึงขอให้เราไม่ต้องกังวลกับเรื่องดอกไม้ทูกเทียนเวลาที่เราบังเพ็นสมถาภาวนานั่งทำจิตใจให้สงบถ้าเราสามารถปฏิบัติได้จนเป็นมิสัยแล้วเวลาที่ตายไปเราก็จะได้พรหมสมบัติคือจะได้ไปเกิด บนสวรรค์ชั้นพรมต่อไปและถ้าเรายังอยากที่จะได้สมบัติที่ดีกว่าที่มีอยู่กว่าพรหมสมบัติคือต้องการมรรคผลนิพพานสมบัติเราก็ต้องบาเพ็ญสมถะเราต้องบาเพ็ญภาวนาอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริง ในสิ่งต่างๆที่ใจไปเกี่ยวข้องด้วยส่วนใหญ่ใจของเราจะหลงกับสิ่งต่างๆที่ไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรามักจะหลงคิดว่าจะอยู่กับเราไปตลอดจะให้ความสุขกับเราเป็นจะเป็นสมบัติของเรา แต่สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้วเห็นว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จีรั์ถาวรมีเกิดมีดับอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ให้ความทุกข์อย่างแท้จริงแต่จะให้ความสุขเมื่อต้องพัดพรากจากสิ่งที่ตนนักไปจึงไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเรา นี่คือเราต้องพิจารณาให้เห็นเช่นรูปที่เราเห็นด้วยตามันก็เปลี่ยนไปอยู่เรื่อยตอนนี้เราเห็นรูปอยู่ในศาลาพอเราเดินออกไปนอกศาลาก็จะเป็นรูปอีกแบบหนึ่งเป็นภาพอีกแบบหนึ่งพอไปอยู่อีกที่หนึ่งก็จะเป็นภาพอีกแบบหนึ่งก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยถ้าเราติดหรือ ย, ยินดีกับรูปใดรูปหนึ่งภาพใดภาพหนึ่ง เมื่อเราไม่ได้เห็นรูปนั้นไม่ได้เห็นภาพนั้นแล้วเราก็จะเกิดความเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความ <c oughs> อะไรอววร <c oughs> เกิดความอยากที่จะเห็นรูปคนนั้นรูปคนนี้ภาพคนนั้นภาพคนนี้ <c oughs> เมื่อไม่ได้เห็นอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือได้เห็นตลอดเวลา แล้วเกิดความเบื่อนายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกแบบหนึ่งอยากจะให้หายไปก็ไม่ยอมหายไปเช่นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเกิดมาทะเลาะเบาะแวงกันเกิดมาไม่ชอบหน้ากันแต่ยังต้องอยู่ร่วมกันยังต้องเห็นหน้ากันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึง ส, งสอนให้เรา ปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพธภะต่างๆเพราะมันจะให้ความสุขกับเราเพียงในขณะที่เรามีความชื่นชมยินดีเท่านั้นพอสิ่งนั้นเปลี่ยนไปก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความรังเกียจขึ้นมาแต่ถ้ายังต้องอยู่กับ สิ่งนั้นกับรูปนั้นอยู่ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือถ้าเรายังไม่เกิดความเบื่อห่ายแล้วเกิดรูปนั้นคนนั้นหายไปจากเราไปเราก็จะต้องเสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้เพราพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเจริญวิปัสสนาคือให้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในกรอบของไตรลักษณ์ไตรลักษณ์แปลว่า 3. ลักษณะคือไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจังสองเป็นทุกข์เรียกว่าทุกขังสมไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกว่าอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นคุณสมบัติของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม จะเป็นวัตถุข้าวของต่างๆก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเป็นบุคคลต่างๆเช่นคนเช่นตัวเราร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมีการเกิดมีการแกร่มีการเจ็บและมีการตายไปในที่สุดไม่มีใครอยู่เหนือความจริงนี้ไปได้เพราะเป็น เป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่จะต้องเป็นอย่างนี้กฎของธรรมชาติเขาบังคับเอาไว้ว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมีสิ่งของใหม่ๆเดี๋ยวก็ต้องกลายเป็นของเก่าแล้วในที่สุดก็จะเสียไปซื้อรถมาใหม่ๆก็วิ่งดีใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เสียต้องคอยซ่อม แล้วซ่องไม่ไหวก็ต้องทิ้งมันไปเพราะมันไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ร่างกายของเราก็เป็นเช่นเดียวกันร่างกายของคนที่เรารักที่เราหวังจะเพิ่งให้ความสุขกับเราเช่นสามีภรรยาของเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องแก่เขาก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วเขาก็ต้องตายไปหรือถ้าเขายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายแต่นิสัยเขาเปลี่ยนไปจากคนที่คอยเอา อ, อกเอาใจเรากลายเป็นคนไม่เอา อ, อกเอาใจจากคนที่เสียสละกลายเป็นคนเอารัดเอาเปลี่ยบเห็นแก่ตัวเราก็จะไม่พอใจเราก็จะไม่อยากจะอยู่ใกล้เขา แต่ยังไม่สามารถแยกทางกันได้ก็ต้องทุกขทรมานไปก่อนจนกว่าจะแยกทางกันไปได้นี่คือความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้เราพิจารณาอยู่เสมอเสมออย่าไปหลงยึดติดกับอะไรพยายามสอนตนเองเสมอว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันไป เขาไม่ถ้าเขาไม่จากเราไปก่อนเราก็จากเขาไปก่อนหรือไม่เช่นนั้นก็จากไปพร้อมๆกันมันก็มีแค่นี้โลกนี้เป็นโลกที่ไม่ได้อยู่กันไปร่วมกันไปตลอดมาเพื่อรู้จักกันแล้วก็เพื่อมาแยกทางกันถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะได้ไม่หลงยึดติดเราเจอใครเราก็คบค้าสมาคมกันไป แต่อย่าไปมีความผูกพันต้องยอมรับว่าเดี๋ยวก็จะไม่เห็นหน้ากันแล้วอย่างพวกเราที่มาทำบุญที่สารากันในตอนนี้เดี๋ยวพอเสร็จภารกิจที่นี่แล้วเราก็ไปกันขนละทานแล้วนี่ก็แสดงถึงความไม่เที่ยงให้เห็นแล้วอั น, นิจจังมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป พอเราออกจากที่นี่เราก็ไปเจอคนที่ข้างนอกแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเจอคนที่นูน่นที่นี่ต่อไปตามใดที่เรามีการเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนอยู่เรื่อยเรเราก็จะต้องแต่คนนั้นเจอคนนี้อยู่เรื่อยๆรถ้าเราเจอแล้วเราทําใจให้วางเฉยไว้เราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราเกิดมีความยินดี เราก็จะเกิดความทุกข์ที่เกิดความอยากได้เวลาเราชอบอะไรเราก็อยากจะได้สิ่งนั้นถ้าเราไม่ได้เราก็เสียใจถ้าเราได้เราก็เกิดความหวงเกิดความห่วงเกิดความกังวลกลัวจะต้องเสียไปได้มาแล้วกลัวว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปแล้วก็ต้องจากเราไปจริงๆไม่ช้าก็เร็ว เพราะไม่ได้อยู่ไม่มีใครอยู่ด้วยกันไปได้ตลอดเพราะพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆและให้เห็นว่าไม่ใช่เป็นของเราถ้าเรามีอะไรก็ขอให้คิดว่าเป็นของยืมของมาเป็นสมบัติของคนอื่นของผู้อื่นเขาเดี๋ยวไม่ช้าก็แล้วเขาก็จะมาเอาคืนไป เจ้าของที่แท้จริงก็คือย ม, มาบาล น, นี่เองเดี๋ยวเขาก็เอาร่างกายของคนนั้นไปเอาร่างกายของคนนี้ไปเอาสามีเราไปเอาภรรยาเราไปเอาพ่อเราไปเอาแม่เราไปเอาลูกเราไปเอาของแล้วเอาร่างกายของเราไปทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องไปจังหมดถ้าเราพิจารณาแล้วเราจะได้ไม่ยึดติดเราจะปล่อยวาง เมื่อปล่อยวางแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเวลาที่เขามาเอาไปเหมือนกับเวลาที่เราไปยืมของมาเรารู้ว่าของนี้ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปคืนเจ้าของหรือไม่เช่นนั้นเจ้าของก็จะมาทวงเอาคืนกลับไปเมื่อเรารู้ว่าไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ยึดไม่ติดเราก็ไม่หลงว่าเป็นของเรา พอถึงเวลาเข้ามาเอาไปก็คืนเข้าไปฉันใดสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆก็เป็นอย่างนั้นแต่มีสิ่งเดียวที่เป็นของเราที่แท้จริงไม่มีใครสามารถเอาจากเราไปได้ก็คือทรัพย์ภายในนี้เองทรัพย์ภายในที่เรามาสร้างกันนี้ที่เกิดจากการทําบุญให้ทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการบำเพ็ญภาวนา สมถภาวนาวิปัสนาภาวนาทรัพย์เหล่านี้จะเป็นทรัพย์ของเราไม่มีใครเอาไปได้โยมพบาลเอาได้เพียงแต่ร่างกายนี้ไปเท่านั้นแต่ใจและสมบัติที่คู่อยู่กับใจนี้ไม่มีใครเอาไปได้มันเป็นสมบัติของเราถ้าเรามีมนุษยสมบัติเมื่อเราหมดร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็จะได้ร่างกายอันใหม่ ถ้าเรามีเทวสมบัติเราก็จะมีกายทิพย์เป็นเทพปบุตรเป็นเทพธิดาถ้าเรามีพรหมสมบัติเราก็จะได้เป็นเท้ามหาพรหมถ้าเรามีมรรคผลนิพพานสมบัติเราก็จะได้เป็นพระอริยเจ้าได้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้า นี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะสามารถมาแย่งจากเราไปได้เพราะมันเป็นธรรมชาติที่อยู่ติดกับใจเกิดจากการสร้างความดีเกิดจากการละบาเกิดจากการชำระกายวาจาใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงนี่แล้วคือ สมบัติที่แท้จริงของเราจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราบำเพ็ญปฏิบัติตั้งแต่การทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาทั้งสมถะและวิปัสสนาปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอย่าประยธดอย่าไปติดมีได้ของต่างๆในโลกนี้มีเอาไว้มาทำประโยชน์มีเงินมีทองก็เอามาทำบุญทำทาน มีร่างกายก็เอามาทำความดีมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นการใช้ของใช้ร่างกายของเราให้เกิดประโยชน์ถ้าเราเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปเสพสุรายาเมาเอาไปเล่นการพนันอย่างนี้เป็นการใช้เงินที่ จะสร้างความเสื่อมเสียสร้างโทษให้กับเราไม่เกิดประโยชน์จะพาให้เราต้องตกทุกข์ยากในลำดับต่อไปจึงขอให้เราจงเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรงสั่งสอนเพราะพระพุทธเจ้าท่านมีตาในท่านมีดวงตาแห่งเห็นธรรมหรือแสงสว่างแห่งธรรมที่สามารถมองเห็น กรรมของสัตว์ได้เห็นว่าสัตว์เห็นว่าทำกรรมอันนี้จะได้ผลอย่างนั้นเห็นว่าทํากรรมอย่างนั้นจะได้ผลอย่างนี้ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายจะเห็นวิบากกรรมของสัตว์ทั้งหลายได้เห็นวิบากรรมของตนเองได้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของตนเองได้ แต่พวกที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรมอย่างพวกเราที่เรียกว่าเป็นปุ้ตูชนคนธรรมดาเรายังไม่สามารถมองเห็นเรื่องของกรรมและวิบากได้เราจึงต้องอาศัยคนที่มีตาในมีแสงสว่างแห่งธรรมเช่นพระพุทธเจ้าเป็นคนสอนเราพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอด เราต้องอาศัยคนตาดีสอนเราบอกเราว่าตรงนั้นมีอะไรตรงนี้มีอะไรจะเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้จะต้องไปอย่างไรจะต้องหันหน้าไปทางไหนถ้าไม่มีคนตาดีบอกเราเราจะไม่สามารถไปตามจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้ฉันใดพวกเราทุกคนเกิดมาก็ต้องการความสุข ไม่ต้องการความทุกข์ด้วยกันทุกคนแต่เราก็เป็นเหมือนคนตาบอดเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงไหนเราไม่รู้ว่าความทุกข์นั้นอยู่ตรงไหนเราจึงต้องอาศัยคนตาดีเช่นพระพุทธเจ้าถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะเจอแต่ความสุขและจะห่างไกลจากความทุกข์แต่ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ชีวิตของเราก็จะต้องเจอแต่ความทุกข์เจอแต่ความวุ่นวายไม่รู้ จ, กจักจบจากสิน้นนังที่เราเป็นกันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้แต่ถ้าเราน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างจริงจังทำทุกลมหายใจเข้าออกรับรองได้ว่าเราจะเจอแต่ความสุขเราจะห่างกลจากความทุกข์จึงขอให้ท่านจบในทางเชื่อ และพยายามหมั่นสร้างสมบัติภายในสร้างทรัพย์ภายในให้มีไว้ติดกับใจของท่านเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งเป็นที่ให้ความสุขหนึ่งขอให้ท่านจงนำเรื่องราวเหล่า น, นี้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอหยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศระีรัตนตรัยมีพระพุตพระทานพระสงฆ์และบุญกุศลที่ได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันสุขภาร ะ, ระโดยทั่วหน้ากันเธอ